มองเห็นความจริงที่เป็นกลางซึ่งเรียกว่ามัตเชนธรรมเทศนานั้นไม่เป็นอยู่อย่างเลี่ยงหนีความจริงซึ่งทำให้ดำเนินชีวิตไปตามอำนาจความอยากความยึดถืออันเลื่อนลอยที่คิดจะให้เป็นและไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และฝากสุขทุกข์ไว้กับตัณหาขั้นต้นเมื่ อ, อยังไม่รู้แจ้งความจริงนั้นเองก็เป็นอยู่ด้วยความเชื่อถือหรือค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำตา ม, ตามเหตุตามผลหวังผลสำเร็จด้วยการกระทำขั้นนี้เป็นขั้นโลกิยะสัมมาทิฐิในขั้นสูงเมื่อรู้แจ้งความจริงนั่นเองแล้วมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสและความทุกข์บีบคั้นครอบงำก็เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้นโดยสมบูรณ์ขั้นนี้เป็นขั้นโลกุตระสัมมาทิฐิ นี้เรียกว่าพุทธจริยธรรมคือการครองชีวิตประเสริฐหรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐถูกหลักพุทธธรรมคือถูกหลักพรหมจารยะหรือพรหมจันท ร, ร์เป็นอริยมรรคคือทางดาเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทําให้เป็นอริยชนหรือวิธีแก้ปัญหาแบบอริยชนอริยชนกับปุถุชนต่างกันในข้อสําคัญคืออริยชน มีความสุขไรทุกเป็นพื้นประจำตัวส่วนปุถุชนต้องทะยานหาความสุขเพราะมีความขาดสุขหรือมีทุกข์คอยเร้ายืนพื้นอยู่เป็นประจำจะพูดว่าอาริยชนพ้นทุกและเหนือสุขก็ได้หลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือวิธีแก้ปัญหาของอริยชนนั้นมีหลักย่อยแอย่างจัดวางเป็นกระบวนการศึกษาอบรมฝึกหรือพัฒนาคนสามด้าน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 ทำการฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจให้ประนีตมีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตที่ดีเรียกง่ายว่าสมาธิด้วยจิตที่ดีนั้นก็สามารถฝึกและพัฒนาด้านปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยทำการด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นจนบรรลุถึงปรีชาญาณที่ทาให้มีชีวิตแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ เป็นอยู่ด้วยความผ่องใสเบิกบานตลอดทุกเวลาในที่สุดเรียกง่ายว่าปัญญาการศึกษาและพัฒนาการนี้อาศัยปัจจัยสองอย่างหล่อเลี้ยงทั้งปัจจัยภายนอกฝ่ายศรัทธาคืออิทธิพลสภาพแวดล้อมดีที่เรียกว่าปราโตโขสะที่ดีโดยเฉพาะกัลยาณมิตรและปัจจัยภายในฝ่ายปัญญาคือความรู้จักคิด รู้จักทมใจที่เรียกว่าโยนิโสมนาสิการเขียนเป็นผังได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่17ทสประกอบด้วยกำเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเจ้าบทบาทเดิมจากนั้นการศึกษาอาศัยปรโตโคสะซึ่งมีคติว่าคนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น และโยนิโสมนัสิกานซึ่งมีคติย้อนกลับว่าถ้าเป็นคนรู้จักคิดแม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูดก็อาจสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์อันหนึ่งปัญหาทางจริยธรรมที่ว่าขบคิดยากเช่นเด็กขโมยเงินเพื่อซื้อยารักษาแม่ดีหรือชั่วมองด้วยวิพัชวิธีก็ชัดแจ้งไม่เป็นปัญหาท้ายสุด ปรัโตโคสะอย่างเดียวไม่พอให้ลุสัจธรรมโยนิโสมนสิการเป็นตัวชี้ขาดอนหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองระดับแสดงขอบเขตแห่งกิจกรรมทางจิตปัญญาของมนุษย์แยกเป็นสองแดนแดนที่ 1. ปัญญาญาณและวิชาสำหรับตัดอวิชชาขอบเขตของปัญญาญาณและวิชา คือความรู้ความจริงศาสตร์สัจธรรมรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตและธรรมชาติเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิแดนที่สองศรัทธาชันทะและกรุณาสำหรับตัดตัณหาขอบเขตของศรัทธาชันทะและกรุณาคือคุณค่าดีงามควรศิลปะจริยธรรม วางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องในด้านบุคคลและสังคมเป็นโลกิยะสัมมาทิธิอีกเรื่องหนึ่งมองอย่างกว้างคำว่าพุทธธรรมยังมีขอบเขตจำกัดไม่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมดคำดั้งเดิมที่ครอบคลุมคือธรรมวิไนหนังสือนี้ได้กล่าวไว้มากในส่วนของธรรม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 และที่ตัวบุคคลหรือปัจจตะบุคคล ร, รมแก้และการปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายใน 2. วินัยคือระเบียบและการจัดระเบียบเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีปฏิบัติตามหลักการข้อบัญญัติการวางกฎและจัดระบบคือเป็นเครื่องมือของธรรมสำหรับจัดระบบชีวิตระบบสังคมหรือชุมชน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 แก้และการปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายนอก